เพราะความเจริญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงพ่โพธิญาณในวันนี้คงพูดเรื่องอนัตตลกณสูตรในช่วงต่อไปคือในวันก่อนได้พูดถึงเรื่องที่ทรงแสดงแยกขันห้าออกมาทีละข้อคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่ว่าโดยเนื้อหาสาระก็รับสั่งว่าขนานั้นเป็นอนัตตาถ้าขนาน่าจะเป็นอัตตาคือตัวตนแล้วขานาก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออาภรรคคือเจ็บไข้ได้ป่วยมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทำธรรมดาและบุคคลก็สามารถจะตั้งความหวังว่า ขอคหน้าของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอค่หน้าของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะว่าคหน้าเป็นอนัตตาค่นาจึงเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันแล้วก็สัตว์ทั้งหลายก็ไม่สามารถจะตั้งความหวังว่าขอคหน้าของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอคหน้าของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ทรงแสดงนั้นทรงแสดงแยกมันทีละขอ้อนะ เป็นการปรับปัติยาใสของผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ฟังในขณะนั้นก็เป็นประยะบุคคลระดับโสดาบันทั้งห้าท่านเนี่ยเป็นปโสดาบันการพูดเรื่องขนาดนี้สําหรับระโสดาบันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ว่าสมหรับสามัญชนแล้วการทําใจให้เข้าถึงเรื่องของอนัตตาเนี่มันค่อนข้า ง, งยาก เรายึดติดอยู่ด้วยอำนาจของอัตตาตัวตนเรารู้สึกเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนเรามีทั้งของตนทั้งเป็นตนทั้งเป็นตัวเป็นตนเนี่ยว่าการจะทวนกระแสความรู้สึกเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่จะต้องไต่อันดับมาเรื่อยเื่อยจนกว่าจะเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้อย่างได้บอกไว้ว่า กรอบป้องคำว่าอนัตตานั้นในพระบาลีส่วนนี้ส่งแสดงประเด็นเดียวคือประเด็นที่เราบังคับควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้แต่ว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็ส่งจำแนกแสดงไว้โดยอนเนกกะยายคือนิยาตต่างๆแล้วก็บทสรุปที่ซ้ำๆกันนะ ตัวอย่างนำมาพูดกันก็มีอยู่สี่ประเด็นประเด็นแรกก็คือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครคือการนัาห้าประการนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและประการที่สองก็คือตรงกันข้ามกับอัตตาตัตนทางความชื่อถื อ, ตนตอในลทัทธิของพรามประการที่สามคือสุญญตาเมื่อแยกย่อยไปแล้วก็เป็นของว่างเป็นของศูนย์ คือว่างแก่ความเป็นของเราว่างแก่ความเป็นเราว่างจากความยเป็นเป็ น, ปนตัวเป็นตนของเราและประการที่4ก็คือว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของสังขารร่างกายอย่างแท้ จ, จริงก็พูดง่ายๆว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นนามธรรมาหรือรูปธรรมก็ตามไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งนั้นอย่างแท้ จ, จริง การเป็นเจ้าของก็เป็นในแง่ของการสมมติบัญญัติกันขึ้นแลเราก็มีความรู้สึกด้วยใจของเราเองนะว่ามันเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วจริงแล้วนั้นมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นเราไม่สามารถจะบงการให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามที่เราต้องการได้ จะบอกว่าทรัพย์สมบัติของเราเลือกสวนไรานาของเราทรัพย์สินเงินทองของเราญาติพี่ น, น้องของเราสามีพันยาของเราเป็นต้นแต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องพลากจากกันไปเขาไม่พ ร, พรากจากเราเราก็พลากจากเขาไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปนั่นก็คือสัจธรรมที่เป็นความจริง ถึงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องอนัตตานะแต่ว่าในช่วงต่อมาในช่วงที่สองเนี่ยรับสั่งถามว่าดูกกรภิสูุทั้งหลายพวกเธอสำคัญความนั้นเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิสูุปัญญาวคีก็กราบทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้า คาว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นภาษาที่สื่อสารกันที่จริงก็ค่อนข้างยากนะสาหรับยุคสมัยปัจจุบันคำว่าเที่ยงในที่นี้หมายความว่าเขาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปไม่มีการแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแม้แต่ว่าชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลาย ก็มาจากที่ไหนแล้วก็จะย้อนกลับไปสู่ที่นั่นต่อไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างองื่นตันกรอบของคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยได้ทรงนิยามว้หลายนัยยะ ด, ด้วยกันแต่ว่านัยยะที่ค่อนข้างสากลคือทรงแสดงว่าเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็แตกดับไป ให้ความมาทาเป็นคนเป็นสัตว์เราเรียกว่าเกิดแก่ตายแต่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเราเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นการดำรงอยู่เพียงชั่วขณะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่แล้วก็ไม่มีอะไรที่คงอยู่ในสภาพเดิม คือเทียงแท้ตามที่เข้าใจกันได้เป็นแสดงว่าจากการมองเห็นสิ่งที่เป็นหน้าตาตัวตนมองขันห้าเป็นหน้าตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นเนตได้ท่านมองเห็นขันห้าเป็นอันนี้จังคือไม่เที่ยงตามไปด้วยในข้อนี้เวลาแสดงเต็มที่เนี่ย แสดงเต็มที่ก็ส่วนมากก็แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่แสดงอนัตตาอนิจจัทุกขังแต่ว่าพระปัญญวคีนั้นท่านบรรลุมรรคผลเป็นมระโสดาบันแล้วหรือมาแสดงที่อนัตตก่อนก็ได้เพราะว่าท่านถอนสักยะทิฏฐิคือความเห็นเป็นเหตือตัวตือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนออกหมดแล้ว ความรู้สึกโดยทั่วไปของเราสามัญชนเรามีความรู้สึกว่าขัานห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าหรือขันห้าเป็นตัวเป็นตนของเรามันผูกโยงอยู่อย่างนี้แต่ท่านปัญจวคีในขณะนั้นท่านไม่มีความรู้สึกว่าขัานห้าเป็นตัวเป็นตนของท่าน การเริ่มต้นด้วยการขันห้าไม่ใช่ตัวเชตุลึงง่ายสำหรับท่านนะฮะไม่ใช่สำหรับคนทั่วไปแต่ตามปกติแล้วก็จะเริ่มเทียนนิดจังหรือความเป็นของไม่เที่ยงแล้วทุกขังความเป็นทุกข์แลนะอนตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวเชตุอย่างที่ท่านสอนเป็นบทแล้วก็พระนำมาสวดสาธยายเพื่อเป็น การเตือนสติตัวเองคือยกมาทีละข้อเหมือนกันยกรูปเวตนาสัญญาสังขารวิญญาณมาทีละข้อแต่วาสาตยายไปด้วยโครงสร้างอย่างเดียวกันเห็นว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกรูปใดเป็นทุกรูปนั้นแท่ตัวใช้ตน รูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั yes, like ้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราก็แสดงว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่ว่าสิ่งที่เป็นหน้าตานั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสมอไปเพราะหน้าตานั้นได้คลุมไปถึงพระนิพพาน ทพเจ้าทรงแสดงว่าทำทั้งปวงเป็นนาตาในขณะที่รับสั่งว่าสังขารทั้งปวงเป็นเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยแล้วก็รับสั่งว่าทำทั้งปวงเป็นนาตาเพราะว่าคำว่าทำนั้นมันไปรวมทั้งสังขารแล้วก็วิสังขารคือปราจารเครื่องปรุงแต่งแล้วก็มีเครื่องปรุงแต่งเข้าไปไว้ด้วยกันก็ทําให้กรอบของคําว่านาตาก็กว้างกวางกว่า แล้วสั่งถามต่อไปว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าปิสุปัรเดวคีก็กราบทูลว่าเป็นทุกข์ปะจจค้าคำว่าเป็นทุกข์ในความหมายที่ตนแสดงนั้นหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย อย่างการเกิดคนเราก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งที่รูปประธรรมและทั้งเปิ น, นามะธรรมส่วนที่เป็นรูปประธรรมก็คือสเปิร์มกับไข่ส่วนที่เป็นนามธรรมคือเือวิชาสังขารวิญญาณก็มากลายเป็นรูปของชีวิตที่เป็นที่รวมของกายกับจิตพวกลราวโดยสรุปก็คืออวิชาสังขารวิญญาณนั้นก็คือจิตตัวไข่กับสเปิร์มก็คือกลายเป็นร่างกาย เรียกว่ารูป ก, กัะานา้มบ้างเรียกว่ากายกับจิตบงังแล้วก็ไม่มีอะไรที่คงอยู่ในสภาพเดิมมันคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นกระบวนการเลื่อนไหลที่ไม่คงที่คือไหลต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีการเบียดเบียน ก็ให้เกิดความร้อนด้วยประการต่างๆหรือแผดเผาก่อยเกิดความร้าร้อนด้วยประการต่างๆาก็กดดกๆๆๆๆได้โดยเห็นว่าชีวิตนั้นก็เป็นทุกขเวทนาที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องมากที่สุดความไม่สบายกายไม่สบายใจในี้ปรากฏได้ตลอดร่างกายก็ทุรพลไปด้วยประการต่า ง, างปๆปวดปวดเมื่อยเมื่อเจ็บเจ็บออดออดแดด สามบันดีสี่บันได้เป็นต้นแล้วก็แสดงให้เห็นเรื่องความจริงในกฎของความเป็นทุกข์พึงสังเกตว่าความเป็นทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะทรงสอนเฉพาะอนัตตาประเด็นเดียวแต่ น, นั้นเองในนาฏกรรมสตรตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยแต่ว่าท่านปัญญาวิเครา์นี้เข้าใจคือมองผ่านว่าสิ่งใดไม่ใช่ตัวใช่ตน สิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ใช้ตัวใช้ตนสิ่งใดใช้ตัวใช้ตนสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช้ตนของเราพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นการต้องควรไหมที่จะไปยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นของเรา ว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราคือการยึดถือนี้เป็นการยึดถือด้วยเขาเรียกกาหะคือตามปกติแล้วเรามักจะเรียกอุปาทานนะฮะคือตัณหากับอุปาทานอวิชาตนาอุปาทานเรามัาจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าเวลาพูดโดยทั่วไปที่ทรงแสดงโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเกี่ยวกับไตรลักษณ์ ก็จะส่งแสดงในกรณีของตัณหามานะทิฏฐินะฮะตัณหามานะทิฏฐิตัณหาก็คือเอตังมมะนั่นเป็นของเราเวทนาเป็นรูปเป็นของเราเวทนาเป็นของเราสัญญาเป็นของเราสังขารเป็นของเราวิญญาณเป็นของเราหรือเราเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารปัญญาณเป็นเราหรือว่า เราเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขานบินแดนก็ เ, เป็นการยึดติดในแนวเขาเรียกสักกายะแต่สักกายะเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันสืบเนื่องมาจากเอสโมอมัยตาคือมันเป็นตัวเป็นตนของเราความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานั้นพระโสดาบันทลายได้แล้วแต่ความรู้สึกว่ของเราเนี่ย ถ้าระดับโสดาบันยังละไม่ได้เพราะฉะนั้นโสดาบันจึงยังมีการมาราคาอยู่และยังมีปฏิฆาอยู่พูดง่ายๆว่า ย, ยังมีความรู้สึกรักชังอยู่แม้จะไม่ดูเดือดเลือดพล่านอย่างชาวบ้านทั่วไปก็ตาม<ๆ>ก็ยังมีความรู้สึกเป็นของเราอยู่เวลาประสบการณ์พลาดสูญเสียก็แสดงความเศร้าโศกเสียใจเช่นเดียวกัน อย่างเชนคราวหนึ่งนางวิสาขาหมหาบาสิกาหลานชายของท่านได้ตายลงท่านร้องไห้เสียอกเสียใจด้วยอาการต่างๆไปเฝ้าพระพุทธเจา้าพิริพิไรําพันถึงการที่หลานชายของท่านได้ตายลงพระเจ้ารับสั่งถามว่าเธอต้องการจะมีหลานสักกี่คนท่านบอกว่าก็อยากจะให้คนในนครสาวัตถีเนี่ยเป็นหลานของท่านทั้งหมด เราสั่งถามว่าแล้วคนนครสาวัตถีเนี่ยก็ตายกันวันกี่คนท่านก็ตอบว่าวันเจ็ดคนบ้างสิบคนบ้างยี่สิบคนบ้างก็ไม่ไม่แน่ก็ตายกันทุกวันพระเจ้าก็รับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นเถอก็ต้องร้องไห้อยู่ทุกวันด้วยการพรัดพร้าของหลานของเถอแล้วก็ส่งแสดงเห็นว่าความโศกเกิดจากความรักไปจะเกิดจากความรัก อย่างที่เรานํามาแปลงเป็นที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นะครับคือมันไม่ตรงตัวขนาดนั้นแต่เราแสดงว่าทั้งหมดเที่มันมาจากความรักความสุขความร่ำรวยรําพันธ์ความทุกข์ความเคลือดใจความขัดแย้นใจต่างๆเนี่ยถ้าเราสืบสาวไปดีแล้วมันมาจากใจที่รักผูกพันมันเป็นอาการของตัณหาเพราะฉะนั้นจึงรับสั่งถามว่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นการควรหรือไม่ที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่งของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราพิสุปันเดวคีก็กล่าวทุลวันโลเฮตั้งพันเตไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะคือเห็นด้วยตัณหานั้นก็เห็นว่าของเรา บ้านของเรารถของเราเรือของเราดุกเมียของเราทรัพย์สินเงินทองของเราตาแหน่งหน้าที่ต่างๆของเรานะแล้วก็ไขว่คว้าปรารถนาเพื่อครอบครองเพื่อเป็นเจ้าเข้าเจ้าของต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นต้องการเป็นเจ้าเป็นใหญ่ครบครบนำสิ่งตั้งหลายอยู่เมื่อได้เมื่อมีเบื่อเป็นก็กำนัดเพลิดเพลินที่จ่มยินดีเมื่อไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็ เศ้าสศกเสียใจมานะที่ว่าเราเป็นนั่นนั่นนั่นเป็นเราเนี่ยคือเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเป็นความร e, <H BC, S 2> ู้สึกว่าเราเป็นะตามสมมติบัญญัติสมมติแต่งตั้งกันเนี่ยนะที่เราสมมติบัญญัติเรียกร้องกันโดยประการต่างๆเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของสมมติบัญญัติกันขึ้นมาแต่งตั้งกันขึ้นคนนั่นเป็นนั่นคนนี้เป็นนี้คนนู้นเป็นนู้นแล okay. ้วก <That> ็ เราเองก็มีความรู้สึกว่าเราเลิศ ก, กว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาตามบทฐานะของเรานะ่ะเอาฐานะของเราไปประกบถานะของคนอื่นแล้วเกิดอาการดูหมิ่นตัวเองบ้างตีเสมอบ้างดูหมิ่นคนอื่นบ้างยกตนข่มท่านบ้างไป็นต้นเนี่ยนะโดยแล้แต่เป็นอาการของมานนะซึ่งในแง่ของความเป็นจริงแล้วบุคคลเสมอกัน ในแง่ของเป็นผิดผลธรรมชาติจะต่างกันก็ที่กรรมแต่นั้นเองแต่ส่วนส่วนชีวิตร่างกายนั้นโดยจะเห็นว่ามันที่จริงมันก็ประกอบด้วยขันธ์ธาตุยานตนาเหมือนกันประกอบดินน้ำลมไฟอากาศเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าคนจะเป็นคนเลวก็ไม่ใช่ประชาติสกุลเป็นคนประเสริฐก็ไม่ใช่พระชาสกุล จะเป็นคนเลวก็เพราะการกระทำไปผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำแต่ว่าเพราะมานะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุ้มพอจิตใจก็ททำให้คนมีความรู้สึกว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยึดติดในความเป็นนะก็ยังเคยตั้งข้อสังเกตเคยไปในงานศพเกือาตมาตามปกติแล้วไม่ค่อย ไม่ค่อนคนคนไคยไเยอเปเกี่ยวข้องงานศพเป็นคนที่ค่อนข้างแปลกหรือไม่ค่อยมีจังหวะไม่ค่อยมีโอกาสไปเกี่ยวข้องงานศพอะไรเท่าไหร่แล้วก็เมื่อสองสามปีที่แล้วมาเนี่ยประมาณสามปีสองปีนะสองปีเนะี่ยก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานศพของพระอาจารย์สองรูปเป็นราชากณะาฉันทำรูปหนึ่งฉั้นดีรันย บ, บัตรรูปหนึ่ง ก็เกี่ยวข้องจนถึงโน้อนะจน ถ, ถึงเผาที่เชิงตะกอนกันเลยลจนถึงเก็บอัฐิแต่ว่าพิจารณาตอนเก็บอัฐินะัมันแม่มันนิดเดียวจริงๆเนะีเ่ยอถ้าพูดถึงกรอบอัฐิเฉพาะอัฐิที่เขาเก็บมานะคงจะมีอังคารเหลืออยู่บ้างนะแต่สรุปแล้วทั้งอัฐิทั้งอังคารเนนะี่ยมันก็มีโหลเดียวกันเองก็ใส่เต็มโลที่จริงก็ขี้เท่าบนอยู่เยอะ นั่นก็แสดงให้เห็นถึงความไม่มีตัวมีตนไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตจริงๆริาให้อดคิดถึงคํากรรที่ท่านกล่าวเอาไว้เป็นการแสดงถึงความจริงในเรื่องตรงนี้ว่ายศได้ลาบผ่าไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลผลยศลาบเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็คือรู้สึกว่าเป็นของเรา ่าลาบเนี่ยคือรู้สึกว่าเป็นของเรายศเนี่คือรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นจย่งนีแต่ว่ายศลาห่าไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม่ร่างตนก็ยังเอาไปเป่าไฟนี่เป็นคติที่คมมากคือใครจะเป็นคนคิดไม่รู้ก็สอบถามยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดแต่ว่าถือว่าคมมาก หมายความมาสามารถอมความของพระพุทธศาสิาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสรุปด้วยข้อความสั้นๆและเป็นกรอนที่มีความลึกซึ้งกินใจและยังเตือนใจอีกว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าเจ้าะสุขสนุกสะไหจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามืนเจ้ามาความความเป็นตนของเราเนี่ยนั่นเป็นตนของเราเนี่ย แต่แสดงว่าถือว่าเป็นตัวตนที่ยืนโรงถาวรดังกล่าวแล้วก็ท่านก็เข้าใจมาตั้งแต่ต้นแล้วก้อนี้คือขันห้าไม่ใช่เราขัน้าไม่เป็นเราฉันขัน้าไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่เราไม่ได้เป็นขัน้าขาน้าไม่ได้เป็นเราเราไม่ได้มีอยู่ในขัน้าขหน้าไม่ได้มีอยู่ในเราก็เห็นชอบตามหลักของ สักายะทิฏฐิยี่สิบประการ น, นนะฮะคือเห็นขันห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันห้าเห็นขันห้ามีในตนเห็นตนมีในขันห้าห้าสี่ก็ยี่สิบพระโสดาบันท่านได้ถ่ายถอนผ่อนคลายไปหมดแล้วคือตันดับไปแล้วเพราะงั้นประเด็นที่สามนี่ท่านเข้าใจง่าย แต่ว่าประเด็นแรกกับประเด็นที่สองนี่ยังยากนะฮะเราจะเห็นว่ามานะนี่เป็นกินเลสแต่โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยพระอนาคามียังละไม่ได้คนที่ละมานะได้เป็นพระอรหันต์ท่า น, น, นเด็กไอ้ตอนนี้แสดงว่าใจท่านไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะเพราะที่ท่านตอบเนี่ยแสดงว่าตอบด้วยญาณภายในของท่าน เนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะฮะก็ดทรงแสดงเฉพาะอนัตตาประเด็นเดียวแต่ท่านสามารถเชื่อมโยงได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาฮะแสดงว่าจิตใจของท่านไม่ใช่ธรรมดาครับเพราะงัเมื่อรับสั่งถามเช่นนั้นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ควรจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราหรือไม่ท่านก็ตอบว่าไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็รับสั่งถามไปเรื่อยๆนะครับรับสั่งถามตั้งแต่รูปเวทนาจัญญาตัณหการวิญญาณมาโดยลําดับซึ่งก็ตั้งตอบโดยในญาตเดียวกันว่าข้อสุดท้ายว่าข้อนั้นไม่เป็นการสมควรเลยพระเจ้าข้าก็แสดงว่า การที่ไปยึดถือเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเรานั้นเป็นการทำไปด้วยอานาจของตานามาณทิฐิท่านนั่นเองั้งฟังทั้งหลายใต้ลมโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเทาน่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, ง้อ ง, งามไปบูรในธรรมที่มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี